วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2537 เป็นการบรรยายพระอัตถิธรรมเบื้องต้น 28 เป็นจิตที่ 5 ดวง รูปาวจารกิริยาจิตนั้นเป็นฌานนจิตเหมือนอย่างรูปาวจารกุศลจิตที่ได้กล่าวถึงมาแล้วก็ต่างกันแต่ว่ารูปาวจารกิริยาจิตนั้นเป็นฌานนจิตคล้ายๆอรหันต์อยู่นานเวลาเข้าฌานก็เป็นมหากิริยาจิต เป็นกริยาจิตไปหมดกิริยาจิตไปหมดคือสึกจิตเหล่านี้เกิดๆกับรูปาวจรกุศลจิตเป กิริยาเป็นคำที่ 3 คำว่ารูปนั้นความหมายโดยจิตที่เป็น เนี่ยนิมิตที่เกิดขึ้นจากรูปได้แก่ๆก็เอานิมิต อย่างใดอย่างหนึ่งมาบริกรรมเรียกว่าบริกรรมนิมิตพูดให้ โดยมีที่มีลักษณะที่เรียกว่ากลับตะละปัตคือหมาย อุปจารสมาธิก็ดีหรืออาจสมาธิหรือบริกรรมสมาธิก็ได้เพราะว่าอันคือนิมิตกับอารมณ์นั้นไม่ใช่เป็นของที่คู่ฝาคู่ว่าตัวจิตตัว สมาธิอารมณ์ของสมาธิตัวเรียกว่านิมิตเราแบ่งเป็น 2 ส่วนภาวนากับนิมิตตัวภาวนานั้น ส่วนนิมิตคืออารมณ์เพราะคนที่ทำสมาธินั้นไม่สามารถ ก็เพราะอารมณ์ญาติเพราะอารมณ์ไม่ดีและเมื่อจิตอยากๆก็เป็นไปได้ทั้งบริกรรมนิมิตแล้วก็คันธะอุปจาระนิมิต ขั้นต่อไปเรียกว่าปฏิภาคกับนิมิตปฏิภาคและนิมิตขั้นสุดท้ายเรียกว่านิมิตคือนิมิต อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราเคยได้คุ้นเคยกันมากันไหนนั้นเป็นของที่กันคือไม่มีการนักลั่นเพราะนั้นมี ที่องค์ฐานนิมิตนั้นเป็นอารมณ์ของบริกรรมภาวนาก็ได้เป็นของอุปจาระก็ได้ส่วนปฏิภาคนิมิตนะอันนี้ก็กาเกี่ยวอีกเหมือนกันเป็นอารมณ์ของอุปจาระสมาธิได้ต้องเป็นปฏิภาคนิมิตเท่า อ่านี่ก็ดูเป็นข้อเท็จนิดนึงคือตัวอ่าตัวนิมิตเนี่ยมันก็ดึงสมาธิขึ้นไปนิมิตจะ ในเมื่อใบกรรมต่อไปต่อไปก็เป็นอุคคานิมิตการที่ตัวสมาธินั้น บรรเทนภาวนาต่อไปนะปฏิภาคองค์อนิมิตนั้น วิภาพก็เป็นอันว่าถึงจุดตัน ในความละเอียดแยกย่อยนั้นเป็นอีก ทำให้อารมณ์นั้นมีความประณีตอย่างไรอย่างไรด้วยทั้งในทางบุญและในผล ได้ของการได้ฌานนี้แล้วว่าผู้ที่ได้ฌานนี้ย่อมไปเกิดในนะเป็นคนที่ได้ฌาน กามวจรภูมิอันนี้เป็นธรรมดาของคนที่มีคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยแนว แล้วก็คนที่ได้ฌานแล้วก็ ผู้ถึงคนที่ได้ฌานอยู่ในภูมิอื่นที่ถ้าสมมุติว่ากล่าวอย่างในหลักแหล่งในหลักแหล่งของ ที่เป็นแหล่งใหญ่แหล่งหลวงของคุณธรรมแต่ละชั้นแต่ละๆ นะก็แน่นอนนะมนุษย์บางพวกนั้นอาจจะมีเชื้อชาติอยู่แต่ไม่มีประเทศแล้วแต่ถ้าว่าไม่มีประเทศเนี่ยเราก็อาจแต่ในแง่ของพฤติกรรมแล้วอย่างคนมอญ ตามภูมิภูมิรูปภูมิที่เป็นที่รองรับเป็นที่รองรับคือใครทําในภูมิอื่นก็จะมาที่นี่เหมือนคน เรียนนักศาสเรียนนิติศาสตร์เรียนรัฐศาสตร์แล้วจะต้องไปถูกส่งไปอยู่ที่นั่นที่นี่แต่ก็เห็น ของคุณธรรมส่วนนั้นคุณธรรมส่วนนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้น่ะก็จะอยู่ด้วยการธรรมฌานเป็นนะฮะเป็นเรื่องปกติก็ อ่าธรรมะเนี่ยมันก็มีการกับฐินฐานของธรรมนั้น โคจรกับอวจรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันแตงโคจรในภาษาบาลีนั้นแปลว่าที่ไปโคจร ของรวงดาวต่างๆดวงดาวต่างๆเนี่ยเราก็จะนึกถึงในแง่ของอาการไปโคจร อาจจะแตกต่างกับความหมายในในทางอื่นในคือท่องไปโดยการกระทําให้ไปโดยการอุบัติจะเอาความ เป็นการไปด้วยการรับรู้ไปด้วยการรับรู้ตัวอาจจะอยู่ที่หนึ่งแต่ว่าการรับรู้สามารถที่จะรับรู้ไปสู่อีกที่หนึ่งได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาในยุคของที่เรียกว่าโลกาณวัตหรือยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราอยู่กลมๆโลกเราก็สามารถที่จะท่อง โดยการจะทําให้เป็นอารมณ์คือรู้ว่าเอ่อที่ไหนเป็นอย่างไรประเทศไหน แต่เรายังไม่ได้ไปนิพพานและเราพูดถึง เพราะว่าคนจะไปเกิดในโคมภูมิได้จะต้องทําสมาธิให้เกิดด้วยการเพ่งรูปอนิมิตซึ่งวัน เสมอด้วยธรรมครูเสมอกันแล้วเราก็ไปเกิดที่นั่นได้ก็เป็นของที่ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างๆกับเราจะไปไหนเนี่ย อันนี้ก็เป็นส่วนที่คล้ายกันโดยข้อเปรียบเทียบก็อันเป็นเรื่องหลักใหญ่ของธรรมะแม้เรื่องอื่นอีกเป็น เช่นว่าถ้าเราไปเกิดเป็นเป็น อ่ากาสัตถาเทวดาทุคคีอยู่กับมนุษย์นี่ก็ได้หรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็อาจ จึงกล่าวโดยสรุปก็คือว่าที่เรียกรูปฌานนี้ แต่หมายว่าเข้าแล้วไม่เอาอะไรหมายว่าเข้าแล้วไม่เอาอะไรคําว่านะ ก็อะไรอะไรเพราะว่าการที่เข้าฌานอย่างที่เรียกเข้าแล้วทิ้งเลยเนี่ยเข้าแล้วไม่เอาอะไรเลยเข้าบาง คนที่ทำลายตัณหาได้นั้นทำอะไรอะไรก็ว่าฉันใส่บาตรฉันจะ ไม่ต้องไปตั้งความปรารถนาอย่างนี้ตัณหาไม่มี ตัณหากำเริบอยู่ในจิตใจอยู่จึงไม่ต้องห้ามคอยห้ามทีเนี่ยพระเสขะ อยู่เหมือนกันหรือไม่ตอบว่ากันหรือไม่ตอบว่าถ้าเป็นปุถุชนนั้นต้องคอยหักห้ามปุถุชนเนี่ยครับต้องคอย เสือจะทําให้เห็นจริงว่าอย่างนั้นก็เรานะว่า 10 บาทเราก็ไม่เคย เหมือนว่าไปเจอเบียร์ถ้าควรที่ขึ้นเอาออกมานะฮะแก้วก็แช่เย็นเจี๊ยบยกมาสรุปเลยก็แล้วกันน่ะแล้ว อยู่ว่ายังละก้าวแค่เกณฑ์ว่าศีล 5 นี่ยังละขาดไม่ได้มันยังกําเริบได้มันยังกําเริบได้ที่ในสิ่งนั้น อย่างเช่นเครื่องดองของเมาเนี่ยบางคนก็บังเอิญมาเป็นโรคกระเพาะ ไอ้กิเลสเนี่ยมันยังรอจังหวะรอเหตุปัจจัยให้มันอยู่ในหัวแต่คลาสอรหันต์ นี่ผมพูดถึงปุถุชนเราว่าปุถุชนนี่ยังมีสิ่ง เนี่ยนั่งๆเนี่ยไม่น่าไว้ใจมันรอจังหวะที่เด็ดเรานี่มันรอจังหวะนะฮะ นะเอาอย่างตัวอย่างก็เสขะพระเสขะนั้นไม่แล้วในระดับตัณหาที่ตราบแล้วแต่ ภาวนาว่าเมื่อตาเห็นรูปอย่าถือเอาโดยนิมิตโดยอโนปยัญชนะก็คอยกําหนดคอยพิจารณาบางทางกระทําไม่ได้บางไอ้ตอนช่วงหลัง และท่านก็ได้แสดงถึงความที่ท่านต้องหักห้ามกิเลสตัณหาของท่านที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ ไม่เอาเลยจริงๆทุกอย่างจึงเป็นกิริยาโดยไม่ต้องจงใจปรารถนาก็ถึงความจริงๆนั้นจะเป็นกิริยา โดยไม่มีข้อแม้อื่นถ้ากลายยังแต่ในความหมายของการ ที่กลอาหันลาได้แล้วกรรมนั้นจึงไม่ส่งผลอีกต่อไปวิบากจึง เป็นภัยไปในที่สุดในนี้จึงได้กล่าวถึงขอบเขตผมพูดถึงขอบเขตของรูปาวจรกุศล คือในมนุสสภูมิ 1 เทวภูมิ 6 สู่อรูปภูมิ 15 15 นี้ก็เว้นอสัญญสัต 1 กับอรูปภูมิ อะไร? 4 อะไรเพราะพระอรหันต์เกิดได้ในภูมิ 22 นี้เท่านั้นเกิดได้ในภูมิ 22 นี้ภูมินอกนี้อ่ะ 4 แล้วก็ ส่วนนิรุเพกขภูมิ 4 นั้นพระอรหันต์มีได้มีพระอรหันต์บนแต่ในอรูปภูมิ 4 นั้นเข้ารูปฌานไม่ได้ทําไม เป็นอารมณ์บทว่ารูปกรรมนั้นมีอารมณ์ที่เป็นเรื่องธรรมนามธรรมสิ่งที่ ก็ดูแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ๆนะยิ่งกว่าคําว่าอยู่ในโลกมืดเนี่ยในๆเสียงต่าง เพราะอารมณ์เพราะอนันตก็ไม่มีความสุขอย่างอื่นทดแทนได้แล้วก็ก็จะนับว่าเป็นความเสียหายของชีวิตอย่างร้ายกาจที่สุดเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเรียกว่าไม่ต้องหลับตาหนีหนีไอ้การรบ คนที่ได้ธรรมะเป็นที่พึ่งนั้น ฌานอรหันต์ที่ไม่ได้ฌานมีอยู่ฌานที่ไม่ได้ฌานนั้นจิตนี้ไม่มีกล่าว เป็นบางเวลาความจริงจิตๆทุกเราเองเช่นเรา 8 ก็ 8 ตลอดเวลา 10 จากกุรินญาณถึงกายวิญญาณอย่างละ 2 ก็ไม่ได้เกิดจากสุวิญญาณเป็นต้นตลอดเวลามีมหาสุสลจิต 8 ก็ 8 ตลอดเวลาของ ไม่ที่อยู่ในการควบคุมของเราพวกเรานั้นจึงยิ่งชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้คุมจิตด้วยอำนาจแต่ว่าคนที่ได้รูปฌานอย่างพระ เป็นของผู้ที่ได้จิตนั้นอยู่อย่างนี้เป็นจิตที่เป็นไปในอํานาจของผู้ที่ อาจจะต้องขึ้นอยู่คนอื่นเค้าบ้างมันก็คือกลางๆอยู่แต่ถ้าเป็นจิตชั้นสูงแล้วเราจะ ต่อถ้าชำนาญจิตแล้วเราต้องเลยบริหารเปิดเผียดเรา 4 ข้อ 4 ครับ คือรูปาวจรหรือรูปาฌานของพระอารามว่าเป็นธรรมที่ควร ถ้าเป็นชาณจิตชาณจิตเนี่ยชาณจิตของปุถุชนต้องคอยตามรักษาต้องคอยตามรักษาอันนี้ เจตนานั้นหมายถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้าอย่างไรจริงอาจารย์เรียกว่าควรแก่เจตนาต้องตั้งใจว่า หรือว่าคิดไปในทางลบก็ได้ทางบวกก็ได้คือคุณธรรมของพระอรหันต์เนี่ยไว้วางใจได้จริงๆนะเราเทียบมันกับคนที่ไว้วางใจได้เชื่อใจได้จริงๆแน่ใจได้ว่าเขาเอาตัวรอดได้ก็ดีแน่ใจได้ว่าเขามีความ อเนยเป็นความไว้วางใจก็ไม่ต้องไปคอยตามรักษานะเค้าเดิน ไอ้กิเลสเนี่ยมันก็แปลกอ่ะว่าอย่างอย่างอย่างทุกๆอย่างอย่างมันเข้ามาติดเข้ากุศลมันยังกำลังติดเนี่ยมันนะคนที่หึง ถึงมากกําลัง 3 มากมองหน้าใครไม่ได้เอ่ยชื่อถึงใครไม่ เวลาทําภาวนาแล้วเกิดได้กุศลธรรมดีเสร็จแล้วก็เกิดความกําหนัดเกิดตัณหาเกิดความชอบความติดพลือๆในลักษณะผิดผิดบ้างถูก ภาวนาธรรมนั้นอยู่ไม่ได้แตกไปๆคนคนนั้นก็กลายเป็นได้เอาภาวนาธรรมนั้นเลยอันนี้เป็น กิเลสเนี่ยมันทําทีว่ามันปรารถนาดีนะฮะแต่มันคนคนหนึ่งเดินมาแล้วมีคนก็ถือปืนเช่นนายทหารหรือนายกรัฐมนตรี ไปไหนมาไหนแล้วมีคนตีตื่นเดินตามหน้ากำลังอีกคนนึงนุ่งกางเกงขา ที่เป็นโลกิยะหรือต่อเราพูดโดยบุคคลเหมือนกับผู้คุมในกรณีที่ 2 แต่อย่าง นึกไอ้นึกขอบคุณนึกไอ้เนี่ยบางทีมันก็ลึกได้นั่นแหละครับแล้วก็เนี่ยดีแล้วถูก อำนาจรักษาตัวนี้ท่านหมายถึงอะไรเป็นเครื่องรักษาปลาหลานว่าไม่รักษา นะที่เป็นผู้แกงทางผลประโยชน์อย่าง <m> <m> แล้วก็ไม่ว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ไม่รักษาเพราะนั้นคําว่าควรแก่การตามรักษาจึงไม่ใช่คําตําหนิการรักษาปุถุชนๆแล้วเช่น แล้วก็คอยตานรักษานั้นทําถูกต้องแล้วคือกิเลสแต่พระอรหันต์นั้นไม่มีกิเลสเป็นเครื่องทําลายก็ต้องไม่ แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องรักษาก็ใหญ่ๆที่ๆที่ คนเสื่อมจากฌานเพราะอะไรก็ตอบว่าเสื่อมจากฌานเพราะกิเลสนะเพราะกิเลสกิเลสตามโดยว่าโทษตํมหะนี่ ถ้าเป็นกะก็โทษวีกาถ้าเป็นทุสณีก็โทษอุบาสกอะไรๆเป็นตัวกิเลสที่ คนไม่มีวิญญาณแล้วอารมณ์อะไรๆก็ทําลายไม่ได้อย่างพระอารามเนี่ยทําลายไม่ได้แต่ปุถุชนแล้วมัน อย่าไปไม่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปซะ ให้ลองให้ปลาหลานฉันเหล้ามันไม่มีใครก็ลองให อย่างที่เรียกว่าเมากับพระญาณไม่มีตามสมบูรณ์ด้วยสติอันดับผิดเมาได้หมดเอ่อเป็นทั้งต้น แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วฌานก็ไม่เสื่อมอรหัตตมรรคก็ไม่ ที่พระเสกขามีเนี่ยไม่ทําลายมรรคผลของท่านทําลายมรรคผลไม่ได้แต่ทําลายฌานสมาบัติได้ทําลายให้เกื้อนให้ถอยได้นี่ การได้ฌานของพระหลานนั้นมีเป็น ไม่เสียองค์ใดองค์หนึ่งใน 8 องค์ที่ทํานายมาพุทธลักษณะแล้วก็ตอนหลังก็ลุงให้ไปบวชเพื่อให้รอเอาหลานไปบวชรอว่า ไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้ายังไม่ได้ออกบวชตัวก็ไปบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญอนามบัติกับลุงยังใน สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านมีประวัติที่ไม่ได้เป็นเนี่ยเป็น ความไม่ใช่เป็นนักบทในชีวิตทางโลกไม่ใช่เป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตร นามปัจจราก็ไม่ใหญ่นี่ก็ไม่ได้จารมาก่อนบ้างมาก่อนนะครับเกิด ก็เป็นพวกที่เอ่อแต่นี้ให้ข้อสังเกตอันหนึ่งนะว่าในประวัติของพระพุทธเจ้าเมืองของพระอคติติมาภพกวนใหญ่ก็โดดมากเนี่ยการเวียน ยังอย่างเราที่นั่งอยู่นี่อาจจะไม่ใช่นักๆท่านอาจจะเป็นนักบวชมาก่อนก็ได้เป็นพระเป็นเจ้าอาวาสเป็นมหาเถระอะไรอย่างงี้เวลามาชาตินี้จังหวะวนเป็นอย่างนี้<าง> บวชแล้วๆเหล่าๆทีเมฆธรรมบารมีจักนี่ว่าใครจะทํามาลักษณะอย่างไรคือก็เป็นอันว่า ต่อพระพุทธเจ้าเมื่อประกาศธรรมนะเอาคนเมืองเข้าป่าง่ายๆนะ มาพยายามหาความเจริญในกรุงแต่เป็นพวกกรุงเข้าไปนอกมีพี่ละมุนเลิกกรุงไปกรุงนอกไปแสวงหาความเจริญที่บรรนอกหรือในป่าเป็นอย่างนั้นกับธรรมดา ของผู้แสวงหาทางวัตถุกามนี้มาดูอีกประเภทหนึ่งคือได้ฌานน่ะใน นั่นนี่ก็เป็นภาษายกชั้นดีส่วนใหญ่ที่เป็นสมบัติมาบวชเหนือเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะ นะแล้วก่อนฟังธรรมแล้วก็มีก่อนบรรลุมรรคญาณอันนี้ มาจากชีวิตเที่ยวเดินอยู่ดุ้นแล้วก็มาบรรลุธรรมแล้วก็ได้ทุกข์ ความเป็นพระอรหันต์ช่วยเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยเวลาทํากุศลจริงๆไม่มีกุศลที่ยิ่งกว่า เป็นบุญสูงสุดบุญสูงสุดเป็นภาวนาใหม่สูงสุดภาวนานี่ก็ถือว่า อย่างหนึ่งเป็นเหตุปัจจัยในทางในทางบวกหมายถึงการได้สั่งสมกุศลนั้นเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วบารมีทางนั้นเอาไว้นะคือถ้า สภาคากับวิสภาคาในทางทำลายกับในเนี่ยถือว่าเหตุปัจจัยในทางทำลายไม่ เลยไปนั่งหลับใน